นี่ในด้งงานการก็ดีทำไมอยู่ดีๆเกิดอยากจะลาออกซะละหนุ่มทวัตชัยเสมียนผู้จ่ายเงินเดือนของบริษัทรถเมสายใต้ถามในด้งคนกระเป๋าเมื่อวันรับเงินเดือนทางบ้านผมลำบากครับในด้งตอบเสมียนอายุรุ่นพี่อย่างง่ายๆเอ๊ยยังไงอะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะมีเมียแล้วแอบมาทำงานทั้งนี้ทิ้งให้เขาลาบากละสิทวัชัยว่า หนุ่มผิวกร้านชื่อด้งหัวเราะ อ, อย่างสนุกสนานผายมือทั้งสองข้างประกอบท่าทางปะโตคุณทวัตชัยผมยังโสดอยู่นะครับที่ว่าทางบ้านลําบากนะ่ะพ่อกับแม่ต่างหากละ่ะทั้งพูดทั้งหัวเราะ อ, อย่างสนุกไอ้คนรูปร่างแบบผมเนี่ยนะจะเป็นโสดไปอีกนานหรือโสดจนแก่ตายก็ไม่รู้ด้งจบคําพูดแล้วก็ชายตาไปดูเสมียนสาวๆที่นั่งถัดไปจากทวัตชัยเขาพูดเล่นๆกระทบกระเทียบสาวๆไปตามอารมณ์สนุก เอา้าทวัดชายหัวเราะบ้างในดง้งเอ้ยไม่มีชายคนใดอยู่เป็นโสดได้จนแก่ตายหรอกนะเชื่อฉันพูดแล้วต่างคนต่างก็หัวเราะเป็นเรื่องขบขันแม้ทั้งบ้านลาบากมากอะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องสาวบนมากับคนรู้จักกันเล่นเอาผมนี่ไม่สบายใจเลยในด้งพูดแล้วก็หยุดหัวเราะเปลี่ยนเป็นพูดเอาการเอางานถ้าจะเป็นเรื่องเงินละสิถูกมเอว่าแต่ในด้งทางานเนี่ย เคยส่งเงินกลับบ้านบ้างหรือเปล่าล่ะอ๋อไม่ใช่เรื่องเงินครับทางบ้านผมเนี่ยเขาหาเงินกันคล่องแล้วก็สบายกว่าผมทั้งเยอะในดงพูดเสียงดังให้ได้ยินไปทั่วเพื่อทําความเข้าใจว่าการที่เขามาทํางานเป็นคนกระเป๋านี้มาอย่างอารมณ์คนหนุ่มไม่ใช่เพราะเรื่องเงินอ๋อฉันเข้าใจผิดเห็นบอกว่าทางบ้านลําบากทวัดใจว่าแล้วก็เสียงเบาลงก็ที่ว่าลําบากนะบ้านผมทําไร่พ่อแม่ก็แก่แล้ว น้องสาวผมสองคนกลายเป็นผู้รับหน้าที่ปั้นเงินเต็มที่แทนที่จะเป็นผมและผมเนี่ยกลับหนีมาสนุกแบบนี้ตำบลอะไรนะบ้านของนายด้งเนี่ยฉันรู้แต่ว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อตำบลแสนต่อครับท่าเรือพระแท่นนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีถนนใครจะไปพระแท่นดงรังก็ต้องไปทางเรือแล้วก็ต้องแวะท่าเรือนี้ทั้งนั้นแต่ว่าตำบลแสนตอนี้นต้องข้ามฟากตรงท่าเรือนะครับแล้วก็เดินตัดป่าทะลุไปแสนต่อบ้านผม คนแสนต่อเนี่ยที่ว่าแข็งแรงแล้วก็ขยันขันแข็งจะเป็นคนที่ไม่ขาดเงินเลยคุณไม่เคยไปเห็นกับตาถ้าได้ไปเห็นนะจะชอบใจเลยละ่ะหนุ่มๆสาวๆเจ้าของไร่เก็บผักแล้วก็พืชผลไม้ในไร่เนี่ยตอนบ่ายตอนเย็นก็จัดลงเข่งไว้ทีนี้พอจวนตี5้าเช้ามืดก็จะใส่รถเข็นลงมาหามกันมาบ้างอย่างสนุกทุกบ้านตัดป่าลงมาที่ท่าเรือจ้างข้ามฟากมาตลาดท่าเรือ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนรับจ้างเนี่ยหาบเข่งลงมาบ้างจนเวลาพอจวนตีห้าเช้ามืดก็จะใส่รถเข็นบ้างหามกันลงมาสนุกกันเลยแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยคือตลิ่งมันสูงไงเมื่อลงเรือข้ามแม่น้ํามาเนี่ยก็จะมีคนมารับจ้างหามขึ้นตลิ่งอีกทีนึงในดงเล่าแหมต้องเสียค่าจ้างหาบเข่งทุกเข่งเลยหรือนายธวัชชัยถามอย่างสนใจอ่ะแน่นอนครับก็ต้องจ่ายสิเหนื่อยทุกอย่างก็แย่ ผ่แรงบ้างแล้วก็แบ่งปันกันกินบ้างชาวไร่เขาก็ทํากันแบบนี้แหละครับออแล้วเข่งหนึ่งนี่คิดยังไงอะข้าหามเข่งละบาทครับขาลง1บาทขาขึ้น1บาทปะโถหน้าผักชุกๆเนี่ยนะคุณทวัตชยัยคนรับจ้างหาบนี่นะมีรวยรายได้วันหนึ่งตกวันละร้อยบาทยังมีเลยครับแต่ว่าหน้าไหนที่ผักซาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ในราว50บาทถึง60บาททุกวัน งานแบบนี้มันเหมาะกับคนที่ไม่มีไร่เป็นของตัวเองแหละครับอะไม่เลวฮะทวัตชัยว่าอย่างงั้นก็จัดว่าในด้งนี่เป็นคนโง่ที่มาหลงอยู่ทางนี้เพราะว่ารายได้ไม่ดีกว่าทางโน้นแล้วสิจริงครับผมโง่ครับชั้นแรกนี่ก็คิดว่าการจมอยู่กับไร่กับนามันจะโง่เง่ า, งาก็เลยคิดหาความฉลาดในกรุงเทพก็เพิ่งมารู้ตัวนี่แหละว่าโง่เอาการในด้งพูดด้วยความจริงใจอันนี้จังทุกขังทวัตชัยพูดภาษาพระพร้อมกับหวัวเราะ ตัวเองเป็นเจ้าของไร่จะได้เงินดีเท่าไหร่เท่าไหร่กลับวิ่งมาหาเงินแบบนี้พูดและสันหัวเออนี่เดี๋ยวเลิกงานแล้วฉันขอคุยกับนายด้งหน่อยละกันนะฉันก็ชักจะสนใจในเรื่องไร่แล้วล่ะเมื่อหมดเวรกระเป๋าแล้วนายด้งหนุ่มก็คอยพบกับนายธวัชชัยเสมียนของบริษัท เมื่อพบกันแล้วนายวัชชัยชวนนด้งไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่ห่างท่ารถเมย์สายใต้สั่งเหล้าแล้วก็กลับมากินกันพูดกันเรื่องอื่นๆก่อนยังไม่พูดถึงเรื่องไร่เรื่องนาเพียงถามถึงจังหวัดแล้วก็อำเภอทั้งตลาดที่ค้าขาย การพบพูดคุยและก็เลี้ยงดูกันครั้งนี้ในดงไม่รู้ว่าจะมีอะไรเป็นจุดประสงค์ของทวัชยัยเป็นเพียงแต่ความรู้สึกว่าวันนี้โก้มีภูมิฐานอย่างมากที่คนชั้นตัวนี้ได้คุยและก็กินอยู่กับเสียนของบริษัทซึ่งคนกระเป๋าทั่วๆไปรู้สึกว่าเสียนของบริษัทผู้จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองนั้นมีศักสูงกว่าตนมากทั้งก็ไม่มีใครได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ทางานมา ก็เลยเกิดความกระยิ่มใจว่าที่พวกชั้นเดียวกันมองชั้นนี่นะจงรู้ไว้เถอะว่าฉันก็มีดีเหมือนกันทําให้ดีอยู่ที่ไหนคนชั้นเสมียนจะจ่ายเงินมาคบด้วยว้ยส่วนทวัตชัยนั้นมีแผนการอะไรของเขาอยู่ในใจอยู่แล้วก็ดำเนินงานของเขาเออนี่ในด้งทวัตชัยเรียกพร้อมกับจ้องดูดวงตาในด้งอย่างขเขมงส่วนในด้งพูดต่ากว่าทั้งอายุและความรู้ก็มองดูว่าทวัตชัยจะพูดอะไร ฉันมีทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยนะในดงทวัดชัยพูดแล้วก็หยุดแค่นี้เพื่อดูกิริยาในดงก่อนแต่ว่าในดงเรานั้นไม่ใช่หนุ่มที่มีไหวพริบอะไรอย่างหนุ่มอื่นฟังคนชั้นเสมียนพูดว่าเขามีทุกข์ที่สุดในชีวิตและเขาพูดกับคนกร ะ, ะเป๋ารถก็งงงันไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรแต่เคยอ่านหนังสือ น, นวนิยายอยู่บ้างก็พอจําสำนวนดีๆไว้ได้บ้างเห็นจะต้องนํามาพูดกับคนที่สูงกว่าตนบ้างได้โปรดเถอะครับผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างอะ ในด้งว่าเขานั่นตามฤทธิสุราทวัชัยได้ยินดังนั้นความที่มีอายุมากกว่าเรียนมาสูงกว่าก็เลยจัดสํานวนชนิดโปรโยหอมเข้าไปโอ้เหมือนพระโปรดเลยในที่สุดฉันก็ได้พบกับผู้ที่จะเป็นพระมาโปรดฉันแล้วเมื่อทวัชัยกล่าวดังนั้นทําให้ในดง้งวาบในหัวใจฉันหรือคือพระที่จะโปรดคนที่เรียนสูงกว่าฉันได้รีบดื่มเหล้าจนหมดแก้วและพูดช้าชา้กรุณาพูดให้แจ่มแจ้งเถอะครับว่า คนอย่างผมเนี่ยจะช่วยอะไรคุณได้บ้างเสียงหนักแน่นคือว่าฉันรักผู้หญิงคนหนึง่งรักขนาดชีวิตฉันเลยก็ว่าได้แต่ไม่มีเงินจะสู่ขอเขาได้เลยฉะนั้นสวรรค์ของฉันก็คือการพาหนีแล้วก็พระผู้โปรดของฉันก็คือนายดง้งฉันจะพาหนีไปบ้านของนายด้งไงจะขออยู่ชั่วคราวจนกว่าจะจัดการอะไรให้เรียบร้อยทวัดชัยพูดอย่างง่ายให้เดดงเข้าใจได้อย่างเร็ว ในด้งของเรานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นว่าไม่หนักหนาอะไรพ่อแม่ของตัวเป็นคนใจดีเรื่องแค่นี้คงจะพอพูดคุยกันได้ตกลงครับในด้งพูดอย่างภาษาใหม่ๆที่คล้ายในภาพยนตร์ฝรั่งเข้าทำนองว่าโอเคนายธวัชชัยชะโงกตัวข้ามโตอาหารยื่นมือมาจับมือในด้งแล้วก็ต่างบีบมือกันโอ้ขอบใจเหลือเกินในด้งฉันขอบใจเธอจริงๆเลยนะฉันได้เพื่อนตายในนาทีนี้แล้ว ทวัตชัยพูดพร้อมกับเขย่ามือในดงแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับในดงถามเป็นการเป็นงานอืมนั่นน่ะสิทวัตชัยพูดอย่างคนที่พบอุปสรรคเพราะว่าดงเพื่อนฉันเนี่ยจะลาออกสิ้นเดือนหน้าแต่ว่ามันจะตรงกับเรื่องของฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะถ้าไม่ตรงกันฉันก็เหลวดังนั้นเพื่อนฉันก็ต้องคอยต่อไปอีกแล้วกันเอาง่ายๆเลยถือเรื่องของเพื่อนสิในด้งของเราพูดอย่างลูกผู้ชายใจเด็ดเออ แต่ว่าเพื่อนก็ต้องขาดงานของเขากลางคันนะสิทวัดชัยแยง้งเงินทองก็จะไม่ได้ช่างมันเงินเท่านั้นไปเมื่อไหร่ก็ไปกันเงินที่ค้างก็ทิ้งเลยในด้งพูดโอ้ยเพื่อนตายของฉันเงินของเพื่อนที่ขาดฉันชดใช้ให้เองตกลงฉันนัดเลยพูดแล้วทวัดชัยก็ ก, กระซิบที่หูเบาๆพอได้ยินกันสองคนในด้งพยักหน้าทาความเข้าใจเป็นอย่างดี ชาวแสนต่อได้พบคนแปลกถิ่นมาอยู่บ้านของทิจจาร น, นางแฟงพ่อแม่ของนายดง้งหรือไอ้ดงที่ชาวแสนต่อเรียกกันอย่างสนิทยิ่งนานวันนานเดือนเข้าคนที่แสนต่อก็ถือว่าบ่าวสาวคู่นี้คือนายทวัชชัยและนางอารีคือคนแสนต่อพวกเดียวกันซึ่งแม่อารีผู้นี้จัดว่าเป็นหญิงสาวสวยสะดุดตาสะดุดใจเอาการแหมโว้ยถ้าเป็นหญิงรำวงรับจ้างกูซื้อเป็นตัวประจาไปเลย ไม่ยอมให้ใครเข้ามารัมละแสนต่อคนหนึ่งพูดตามใจตัวแกดูคนยังไงวะคนแบบนี้เนี่ยนะ่จะเป็นหญิงรงัมวงสวยแล้วก็มีทีท่าคุณหญิงคุณนายขนาดนี้นายคนหนึ่งหนวดกลบปากพูดขัดคอข้าก็แค่ติต่างหรอกว่าคนแรกพูดแก้ถ้ารัมวงเข้าขจริงแสนต่อข้ากันตายหมดแล่าพูดแล้วหวัวเราะคนอย่างนี้เนี่ยนะคงจะสําอางมากเลยทีเดียวอยู่กรุงเทพเนี่ย แต่ทำไมทำไมถึงมาอยู่บ้านป่าว่าในหนวดบน่นเขาว่าเพื่อนไอ้ด้งมันทั้งผัวทั้งเมียเฮ้ยไอ้ด้งนี่สำคัญเว้ยไปเป็นกระเป๋ารถเมยไงมีเพื่อนดีๆ ด, ดูเจ้าผัวเขาสิจะพูดจะจาอะไรแสดงว่าเป็นนักเรียนชั้นสูงแน่ๆเลยเวัยแล้วไอ้ด้งเราเนี่ยแค่ประชาบาลโอ้พูดไม่ถูกหรอกเราไม่รู้หัวนอนปลายตีนเขากินเหล้ากับท่าหลายหนพูดจาดีเว้ยไม่ไว้ท่าไว้ทางแต่จะเป็นใครก็ตามถือว่า เดี๋ยนี้มาอยู่แสนตอก็เป็นคนแสนตอด้วยกันทั้งนั้นแหละต้องรักกันเว้ยแม่เมียก็ใจดีเหมือนกันนะซื้อขนมแจกเด็กเล็กแจกอยู่บ่อยๆแต่เสียอยู่อย่างเดียวละเว้ยเวลากระยิ้มกับพวกเราเนี่ยหวานจ้อยในตาล้วงหัวใจเลยวะ่ะเฮ้ยพูดพูดไปก็ระวงังระวงหน่อยละกันเมียเองอ่ะจะเอาไม้เพ่นก บ, บาลเข้าผูพ้พูดเหลียวซ้ายแลขวาพร้อมกับหัวเราะกันกากใหญ่ หนุ่มสาวพลัดถิ่นคู่นี้เป็นข่าวและเป็นขี้ปากของชาวแสนต่ออยู่สองสามเดือนนานวันเข้าก็หายไปกลายเป็นชาวแสนต่อแท้ๆไปแล้วแม้แต่ในด้งเองในตอนแรกๆก็อึดอัดเหมือนกันตามที่ทวัตชัยขอมาอยู่ในเรื่องที่ว่ารักผู้หญิงและไม่มีเงินไปสู่ขอก็เลยพากันหนีมาแต่ครั้นเมื่อในด้งเห็นหน้าก็รู้ว่าแม่อารีคนสวยเนี่ยคือเมียน้อยอันเป็นสุดที่รักและก็สุดห่วง ของนายห้างเจ้าของรถเมยคนหนึ่งแล้วนายทวัชชัยพาเมียเขาหนีมาเรื่องเกิดจากว่านายทวัชชัยเนี่ยหนุ่มแล้วก็สวยเก๋กว่าตาในห้างแก่ง่อมแม่อรีก็มีฐานะเมียน้อยก็เลยร่อนหาคู่ผัวตัวเมียดีกว่าจะเป็นน้อยเขาและผัวก็แก่ง่อมด้วยเดี๋ยวนี้นายด้งไม่มีความคิดอะไรแบบนั้นซะแล้วเพราะว่าเรื่องมันเลยเถิดเข้ามาอย่างแก้ไม่ตกถือว่าสองผัวเมีย น, นี้เป็นครอบครัวเดียวกันกับนายด้งไปเลย ค่าอาหารทุกวันผัวเมียคู่นี้จัดการทั้งสิ้นและตัวแม่รูปสำอางก็ทาเป็นชาวไร่ไปแล้วออกรดน้ำและเก็บพืชผลในไร่ร่วมกับน้องสาวสองคนของในดงส่วนตัวผัวนั้นก็ช่วยกิจการทุกอย่างตั้งแต่การขนการส่งผักการส่งพืชสู่ฝั่งตลาดท่าเรือพอถึงฤดูน้ำหลากของแคว น, น, น้ำจะบ่าเข้าไปในวุ้ง พื้นที่ที่ว่านี้เป็นแอ่งใหญ่แล้วก็ต่ําซึ่งปกติแล้วมีชัยหน้าน้ำหลากที่ทํากันในไร่ปลูกไม้ล้มลุกทุกชนิดพอน้ำหลากประจําปีมาที่ตรงนั้นก็เป็นวังน้ําใหญ่ๆหรือว่าบึงซึ่งมีปลาชุกชุมเป็นจํานวนมากติดน้ําเข้ามาแล้วก็ออกไข่เลยชาวบ้านนี้ก็เลยเรียกวังเว้งวังวนนี้ว่าหนองทางที่ห่างแผ่นดินหมู่บ้านออกไปก็เรียกว่าหนองนอกแ ล, และอีกหนองหนึ่งนั้น เริ่มน้ำหลากปลาก็อุดมที่นั่นหรือว่าตอนน้ําลดปลาก็จะไปชุมนุมที่นั่นจะหาทางกลับแม่น้ําก็มีส่วนปลาในแม่น้ํามีนิสัยชอบว่ายทวนน้ําก็ว่ายเข้ามาในวุ้งอีกชาวบ้านก็เลยเรียกตรงนั้นว่าหนองปลาส่วนพื้นที่ตรงที่หมู่บ้านนั้นต่ําจึงกลายเป็นหนองหรือว่าบึงใหญ่ที่กักน้ําอยู่นานกว่าหนองที่อื่นที่ห่างออกไปหนองนี้มีชื่อว่านหนองในฟังดูไม่ดีสักเท่าไหร่ลำบากหู แต่มันก็เป็นเช่นนั้นด้วยว่าเป็นหนองที่ชิดฝั่งในพวกหนองนอกนั่นพอน้ําเริ่มลดก็ลดก่อนพวกปลามีสัญชาตญาณพอรู้ว่าน้ําลดก็รีบออกก่อนพวกชาวบ้านก็รู้ทันปลารีบไปดักลงแหลงอวนกันทั้งนั้นส่วนหนองลึกหรือว่าหนองในนี้พวกปลา ย, ยังอาศัยอยู่อีกนานวางไข่ออกลูกกันมากมายบัวสายที่ฝังหัวอยู่ในดินตอนหน้าแลง้ง พอน้ำขังนานเข้าก็งอกทอดสายยาวขึ้นพ้นน้ำดอกบานสะพรัง่งการจับปลาในหนองต่างๆนี้ชาวบ้านทาการจับเป็นอาหารทุกวันแล้วแต่ว่าจะใช้วิธีใดในการจับตกเบ็ดบ้างลงอวนบ้างมีเรือทำสวิงใหญ่ติดทางหัวเรือเรียกว่าเรือช้อนลงเบ็ดราวบ้างปักเบ็ดตามชายตลิ่งบ้างภัยทั้งหลายเนี่ยไม่มี จะระวังก็แต่พวกงูเท่านั้นเพราะว่ามีงูร้ายๆหลายชนิดนับไปตั้งแต่เห่าหม่อเห่าดอกจันเห่าดงสามเหลี่ยมทับทางปล้องฉนวนส่วนเรื่องของป่าที่มีเนี่ยก็กลายเป็นไร่ของเก่าๆ ก, ก็ยังคงติดอยู่ที่นั่นเป็นธรรมดาสองผัวเมียทวัชัยและอารีก็มีหน้าที่จับปลาเช่นกัน แรกๆตกเบ็ดกลางวันก่อนได้ปลาทางเบือนบ้างปลาเข้าบ้างปลากรดปลากรายปลาดักช้อนปลาส้อยเอามาทำน้ําปลาบ้างพอวิชาแก่กล้าเข้าสองพวเมียนี้ก็ถือเบ็ดออกตอนกลางคืนเพราะว่าได้ปลามากกว่าในตอนกลางวันพวกปลาเล็กๆปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนปลาหมอเป็นหน้าที่ของพวกเด็กตกเบ็ดกัน การเปลี่ยนตัวจากชาวกรุงเทพเป็นชาวแสนตอของทวั ช, ชัยและอารีก็เลยกลายเป็นที่รักของชาวบ้านนั้นยิ่งนักทุกคนจะเอ่ยถึงชื่อเสมอติดปากทุกคนมีอยู่คืนหนึง่งที่นายดงไม่ได้ไปลงเรือวางเบ็ดราวกับสองผัวเมียเพราะว่ามัวแต่จัดเข่งที่บรรจุพืชผักอย่างมากอยู่กับน้องสาวสองคนเป็นคราวส่งผักที่มากกว่าทุกคราวเป็นการพุ่งส่งด้วยตัวเองถึงกรุงเทพโดยไม่เกี่ยวกับมือสอง การทำไร่ผักแล้วก็พืชผลที่บ้านทิจจานนางแฟงดีขึ้นกว่าเดิมก็เพราะว่านายดง้งลูกชายกลับมาทำงานจริงจังเข้าการเงินก็เลยดีกว่าเก่ามากมายกว่าจะแล้วเสร็จในการจัดผักแล้วก็พืชผลลงเข่งก็กินเวลาไปเกือบสามทุ่มก็พอดีได้ยินเสียงอะไรปุ๊บปับ๊บที่ทางคนเดินชายบึงหน้าบ้านพร้อมกับเสียงร้องคล้ายคนที่ร้องไม่ค่อยดังนักแล้วก็มีเสียงเหมือนใครล้มผลัก ในด้งและน้องจึงรีบหยิบไฟฉายสองกระดาษไปตามเสียงก็เห็นคนคนนึงล้มฟุบอยู่ตรงทางเดินในด้งจึงเรียกพ่อแม่แล้วก็เหเข้าไปยังร่างนั้นแล้วทุกคนก็ร้องโวยวายกันเพราะว่าคนคนนั้นก็คือทวัชัยก่อนจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและอารีหายไปไหนก็เล่นกันคลุกขลาดโวยวายอยู่นานบ้านใกล้ๆต่างมาห้อมล้อมกันแน่นก็ได้ทาการซักถามทวัชัยที่กระป ก, กระเปียเปียกน้า ได้ความว่าเขากับอารีไปลงเบ็ด ร, ราวและถูกผู้ร้ายหลายคนมีเรือสองลำพุ่งเข้ามายังเรือของเขาทั้งตีและแทงของเขาสองคนสามีภรรยาตัวเขาเองถูกตีอย่างแรงถึงกระหมดสติแล้วก็ตกน้ำไปส่วนอารีก็ถูกทำร้ายเรือล่มจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่รู้ผู้ร้ายทั้งหมดหนีไปจะจับเอาอารีไปด้วยหรือเปล่าก็สุดจะรู้ ตัวของทวัชัยได้สติเมื่อตกถูกน้ําเย็นเข้าก็แหวกว่ายอยู่ในน้ําที่แรงและพบว่าเรือตัวเองคว่าไปติดกับกอไผ่ก็เกาะไว้และตะโกนเรียกหาเมียตะกายน้ําไปกับเรือเที่ยวหาเมียมันมืดมิดมองไม่เห็นเหนือเห็นใต้ลอยคอเกาะเรือว่ายไปลําน้ําวุ้งเวงเกือบชั่วโมงเห็นจะได้และน้ําก็ได้พัดพาเขากับเรือลอยมาใกล้ฝั่งจึงขึ้นมาได้พ่อของในดงนั้นก็รีบเพ่นจากที่ไปบ้านกำนัน และครูเดียวกำนันกับพวกอีกหลายคนก็มาถึงพวกแสนต่อรู้เรื่องเข้าก็ตรหนกถือคบไฟกันสว่างลานบ้านในดงกำนันได้ตะโกนบอกพวกเพื่อนแสนต่อให้ออ ก, กเรือเท่าที่มีนำคบไฟเที่ยวท่องไปในบึงใหญ่ค้นหาอารีผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวแสนต่อเสียงร้องให้กระอืดกระอือของสาวแก่แม่ไม้เป็นกลุ่มไปส่วนตัวของทวชัยนั้นได้ถูกนำขึ้นไปบนบ้านเพื่อตรวจสอบบาดแผล ส่วนตัวของกำนันนั้นเบิ่งหน้าไปในบึงใหญ่อย่างกลัดกลุ่มเดินวนไปวนมาที่พื้นดินแล้วก็สั่งพวกให้เดินเลาะดูตามตลิ่งทั่วๆไปเผื่อว่าอารีจะถูกน้ำพัดพามาติดอยู่แต่ก็มีพวกบ้านใกล้อีก 2-3 สาคนกำนันได้กระซิบว่าเราต้องคุมตัวเข้าไว้ก่อนเรื่องมันยังมืดมนว่ะตำรวจจะหาว่าเราเนี่ยละลม้มยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ร้ายกำนันสั่งพวกเสร็จแล้วก็สั่นหัวอย่างยุ่งยากใจ ทั้งงกำนันเองก็รักทวัตชัยอยู่เป็นอย่างมากแต่ว่าต้องระวังให้ละเอียดกันในการสอบสวนของตำรวจจะสับสนเพราะว่าผัวเมียไปหาปลากันเพียงตัวต่อตัวแล้วกลับมาคนเดียวแจ้งความว่าถูกคนทำร้ายแล้วเมียก็หายไปซึ่งมันเป็นเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นไม่มีพยานรู้เห็นถ้าความมันเป็นว่าผัวเมียทะเลาะกันและผัวฆ่าเมียตายแต่มาแจ้งความไปอีกก็เรื่องหนึ่งทางตำรวจเขาจะไม่เชื่อได้ง่าย หากว่าวัตชัยแอบหลบหนีไปซะความผิดก็จะมาลงเอาที่กำนันว่าทำหน้าที่บกพร่องส่วนในเบื้องนั้นเรือหลายลำพายหากันอย่างบ้าคลั่งในด้งของเราก็ครึ่งบ้าครึ่งดีมีกอไม้กอใดเป็นโดดดำน้ำควานหาไม่คิดถึงชีวิตของตัวค้นยังไงก็ไม่พบก็กัดฟันกรอดเพื่อนแสนต่อทุกคนมีกิริยาคล้ายคลึงกันไปหมดบ่นแล้วก็ดุด่าโดดน้ำโครมครามถ้าสงสัยที่ใดเกือบค่อนสว่าง กองค้นหาถึงกลับเข้าตะลิ่งในด้งนั้นพอขึ้นบกก็ทิ้งตัวเกลือกลิ้งไปตามพื้นดินร้องไห้แล้วก็ฮึดฮัดอย่างดุเดือดกูคุ้มครองเพื่อนกูไม่ได้บ้านกูแท้ๆพูดไปร้องไห้ไปชาวแสนต่อฟังในด้งพูดแล้วก็เกลือกลิ้งชักสูดปากสูดกัดฟันกร่วมไปตามๆกันโดยไม่รู้ว่าจะทำประการใดไอด้ด้งคนแสนต่อเสียใจกูก็คนแสนตอก็เสียใจเท่าๆกันกับมึง ต่างดุดัน พ, พึมพำบ้าบ่นไปทั้งนั้นซึ่งพอพระอาทิตย์ขึ้นแสนต่อก็เหมือนมีงานอะไรอย่างใหญ่ผู้คนเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งทวัตชัยเขอยังชั่วแล้วเพราะว่าร่างกายไม่มีบาดเจ็บอะไรมากถูกตีที่หัวอย่างหนักหน่อยร้องไห้แล้วก็บุ่มบ่ามอยู่ตลอดรุ่งลุกขึ้นจะแต่งตัวกูจะตามข่ามึงถึงมุ้งเลยทวัตชัยคำรามทุกคนเช่นแม่ในดง้งน้องสาวในดง้งต่างเข้ายึดยื้อไว ไม่รู้ว่าไอ้หนุ่มเมียหายเนี่ยมันจะไปฆ่าใครตามที่พูดออกมาใครฆ่าบอกมากูฆ่าเองในด้งผุดลุกขึ้นจ้องตาเพื่อนแต่ว่าทวัดชัยดูจะได้สติไม่พูดอะไรอีกเพราะตัวเองยังนึกเดาสุ่มๆไปด้วยความบ้าคลั่งและคนแรกที่ตัวเองสงสยัยก็ไม่มีใครนอกจากในห้างแก่ที่ตัวเองพาเมียเขา้าหนีมา และในครู่เดียวนั้นเองกั mnan ก็ได้มาเรียกตัวทวัชัยไปหาตำรวจที่ท่าเรือและรูปการก็ดีขึ้นเพราะว่ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มขึ้นอีกสองคนคือเด็กชายอายุ12ปีกับบิดาที่ลอยเรือลงเบ็ด ร, ราวอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุกั mnan จึงเชิญตัวไปหาตำรวจด้วยความดีใจว่าคดีที่จะมาหนักทางทวัชัยจะได้เลิกกันไปมิฉะนั้นทางตำรวจจะต้องขังทวัชัยไว้ก่อนจนกว่าจะสอบสวนเรื่องให้เป็นที่แน่นอน เมื่อถึงตำรวจคำให้การของทวัชัยจะต้องแจ่มแจ้งไม่มีการปิดบังเรื่องส่วนตัวไว้ได้ความลับของสองผัวเมียที่มีอยู่แล้วก็หนีมาอยู่ที่แสนต่อนั้นจะต้องถูกเปิดเผยออกเพราะว่าตำรวจต้องค้นหารากฐานของเหตุที่เกิดว่าโกรธเคืองอยู่กับใครบ้างทั้งทางบ้านเดิมในกรุงเทพและทางแสนตอที่มาอยู่ใหม่ทวัชัยจําเป็นต้องให้การไปตามความจริงว่าตัวทําผิดคือแอบพาเมียน้อยของนายห้างรถเมย์หนีมาอยู่แสนต่อ ทางตำรวจก็ได้ความพอจะสะสางคดีเพราะว่าอารีเป็นเมียน้อยของผู้มีอิทธิพลทางการเงินก็ย่อมเป็นจุดหนึ่งที่จะเพ่งเล็งไว้เรื่องด้านสงสัยว่าผัวอาจจะฆ่าเมียของตัวเองแล้วก็อ้างว่ามีคนร้ายมาฆ่าก็พอจะเบาลงไปได้ทั้งยังได้พยานสำคัญที่เห็นเหตุการณ์เข้าอีกด้วยทิดโมและเด็กชายเหมือนผู้เป็นบุตรได้ให้การว่าเป็นพยานขณะที่สองคนพ่อลูกกาลังโรยเบ็ดราวยู่นั้น ก็มีเรือสองลำจอดนิ่งอยู่ข้างกอไม้กลางหนองแล้วก็มีคนในเรือนั้นหลายคนด้วยกันพอเรือเล็กของสองผัวเมียโรยเบ็ดราวเข้าไปใกล้เรือสองลำนั้นได้ฉายไฟเข้าใส่สองผัวเมียพอแน่ใจว่าใช่ผู้ที่ต้องการพบแล้วก็ผละเรือจากกอไม้ด้วยความรวดเร็วพุ่งเข้าใส่แล้วก็ตีด้วยไม้ตะลุยเลยเสียงผู้หญิงร้องกรีดและขอให้คนช่วยแต่พ่อลูกไม่กล้าช่วยเพราะว่าฝ่ายนั้นมากคน เมื่อเรือสองผัวเมียคว่ำลงน้ำเสียงร้องของผู้หญิงก็เงียบไปเสียงผู้ชายก็เงียบเรือสองลำนั้นก็ได้พายหมุนตามกระแสน้ำไปใช้หอกแทงลงไปในน้ำทุกแห่งตามกอไม้บ้างแล้วก็ตามวังวนของน้ำบ้างพวกในเรือสองลำนั้นมีคนหนึ่งร้องขึ้นบอกว่าเฮ้ยมีคนเห็นเว้ย พอได้ยินคนํานี้พ่อลูกก็รู้ว่าภัยกําลังจะเข้ามาหาตัวก็เลยทิ้งเบ็ดจ้าเรือเล็กลัดเลาะกอไม้ที่มากมายนั้นหนีออกมาจากหนองน้ําได้และก็เป็นเหตุการณ์เพียงเท่านั้นพวกแสนต่อที่ไปฟังทําให้การต่างมองดูหน้าพวกกันเองเพราะพ่อลูกบอกกับตํารวจว่าเสียงคนที่ตะโกนนั้นเป็นเสียงสําเนียงกรุงเทพแต่ก็สงสัยว่าจะต้องเป็นคนพื้นเมืองน้นํานี้ร่วมมืออยู่ด้วย ลำพังคนถิ่นอื่นจะเข้ามาวังวนได้ไม่ง่ายเลยถ้าเป็นคนแสนต่อร่วมอยู่ด้วยนะกูนี่เสียใจว่ะที่เห็นเงินดีกว่ารักพวกคนคนหนึ่งพูดพร้อมกับกัดกรามก็ไม่แน่นะเว้ยว่าจะเป็นพวกเราแสนต่อเพราะว่าพวกท่ามกาพวกหวายเหนียวบ้านกระทุ่มวังสาามันก็เคยเข้ามาวุ้งนี้เหมือนกันใครจะไปรู้วะอีกคนทวงขึ้นเอ้ยอย่าพูดเลย คนกลุ่มอื่นจะคุ้งทางนู้นหรือว่าทางนี้มันก็พวกเราทั้งนั้นเหรอวะคนแรกร้องขัดเออจริงปุ้ยอีกคนพูดถ้าเป็นบ้านอื่นนะมันก็ต้องเป็นคนที่เคยเข้ามาละ่ะไอ้คนบ้านเรานะ่ะฉันคิดว่ามันคงไม่ทำหรอกอืมก็จริงอย่างที่เองพูดนะทำบ้านเดียวกันมันก็หมาเหรอวะเอาลละวะถ้าหากทำละ่ะจะทาไมวะแย่งชู้แย่งสาวนะะ่ะเหรอไอ้บ้าทาไมไม่ฆ่าผัวแล้วแย่งเมียละ่ะดันไปฆ่าเมียทไม คนนี้ขัดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาถึงว่าเธอมันยังมืดไงทางตำรวจคาดคั้นให้กำนันจับตาดูทวัชัยไว้ก่อนในฐานะที่ยังไม่ขาวกระจ่างอีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยให้ฝ่ายผัวด้วยทำเมียแล้วอาจจะย้อนมาเล่นงานผัวก็ได้ต่อไปก็เป็นการวางกับดักคอยดูพิรุธทั่วไปด้วยเมื่อหมดเรื่องทางตำรวจแล้วกำนันใจนักเลงก็ได้ชวนพวกเข้ากินเหล้าดื่มแก้กลุ้ม ทุกคนมองเจ้าผัวที่เมียหายไปในน้ำแล้วก็สงสารจับใจท่านกำนันครับทวัตชัยพูดผมจะตอบแทนเขาถึงในมุ้งเลยพูดอย่างกรัดกรามพวกแสนตอมองหน้าอย่างเห็นใจแต่ไม่พากันสนับสนุนเพราะว่าการทำอะไรด้วยตนเองในกรุงเทพเหมือนเดินเข้าไปหาคุกหาตารางเพียงไปด้อมๆ ม, มองๆก็จะถูกจับซะแล้วมันก็คนในญาติน้าเดียวกันนี่แหละว่านาทางนอกนั้นใครจะกล้าเข้ามาในวุ้งเรามันไม่ง่าย เหมือนอยู่ในลำน้ำนะเว้ยพ่อในดงพูดพร้อมกับถมน้ำลายเมื่อดื่มเหล้ากันพอควรแล้วก็พากันข้ามฟ้ากลับแสนต่อกำนันของเราเป็นคนไม่หยุดยัง้งได้ขอแรงพวกที่สมัครใจเอาเรือออกค้นหาศพอารีอีกคเนวัฒถาตายอยู่ใต้น้ำปะเหมาะไปตรงที่กระแสน้ำแรงจะค่อยๆลอยไปใต้น้ำสู่ทางที่น้ำลดเป็นธรรมดาของน้าแควการจนบุรีขึ้นแรงลดแรงอย่างน่าใจหาย ท่านกำนันกลัวศพจะแอบลอยออกแม่น้ำซะจะเป็นการไปกันใหญ่เป็นการคาดคะเนที่ถูกต้องและก็แน่นอนของกำนันเพราะว่าศพของอารีลอยไปใต้น้ำตามกระแสน้ำที่กำลังลดศพก็เลยยังไม่เน่าก็เลยมีความหนักไม่ลอยพ้นน้ำเคลื่อนตัวไปติดกอไม้อยู่ได้เกิดการโกลาหลกันอีกช่วยกันเอาเชือกคล้องศพที่มีความหนักไปในใต้น้ำด้วยเรือสามลำชะลอไปจนถึงหน้าวัด ตอนเอาศพขึ้นวัดนั้นก็เกิดความยุ่งเหยิงชนิดแก้ไขไม่ได้ของมนุษย์ผัวเมียกันทวัดชัยร้องไห้อย่างคนบ้าเข้ากอดศพเมียเป็นการใหญ่สุดจะห้ามปรามกันไหวอกใครใครก็รู้พระเจ้าได้แต่ยืนมองด้วยความตันใจกำนันรีบใช้คนไปตามตำรวจท่าเรือมาพิสูจน์ศพโดยด่วนศพอารีลืมตาโพงแสดงว่าขาดใจตอนสำลักน้ำตาก็เลยลืมโพงดวงหน้ายังไม่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนแผลที่ร่างกายนั้นความเข้าใจทั่วไปว่าแผลที่ซ อ, อ, อกคอก็เป็นแผลที่ถูกแทงเมื่อตอนเรือประชิดกันแต่ว่าแผลที่แผ่นหลังอีกแผลนั้นต้องถูกแทงในน้ําตามที่สองพ่อลูกบอกเล่าว่าคนร้ายบนเรือพายเรือเที่ยวแทงสุมไปตามน้ำวนแล้วก็ก่อไม้ฆาตกรรมรายนี้แม้ได้สพแล้วพิสูจน์แล้วทางตารวจก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องถึงทางจังหวัด ชาวบ้านแสนต่อทั้งหมดที่มีเรือตํารวจได้พิสูจน์ทุกลำอย่างละเอียดก็ไม่มีใครรู้ว่าชาวแสนต่อถูกสงสัยบ้างหรือเปล่าซึ่งทางตํารวจยังนิ่งและก็จะควานหาผู้ร่วมงานให้พบต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ร้ายต้องติดต่อกับใครในแม่น้นํานี้และก็เคยนําเรือเข้ามาหาปลาในวุ้งวังวนนี้เพราะว่าทําการแล้วก็กลับพ้นวังเวงนี้ไปได้อย่างรวดเร็วการจะสงสัยใครในหมู่บ้านนั้นก็ต้องมีความพินิษพิเคราะห์ของตํารวจเป็นหลัก ข้อคำนวณในสาเหตุตามที่สอบสวนจากเรื่องราวของผัวเมียคู่นี้ถ้าพุ่งไปทางตามล้างแค้นก็จะไปตกอยู่ทางผัวเก่าของอารีเป็นผู้จ้างแล้วก็วานฆ่ามาทำลายชีวิตผัวเมียคู่นี้ก็หมายถึงให้ฆ่าทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายผัวรอดไปได้นั่นก็หมายถึงทาการไม่ถนัดเกิดจากการไม่ถนัดทางเรือเล็กๆที่มีกระแสน้ำแรงๆแบบนี้ก็เลยทาการพลาดเป้าหมาย การสวดศพอารีที่วัดในคืนนี้ทวัชัยเศร้าโศกมากหนีหน้าหายไปจากแสนต่อหลายวันจนวันสุดท้ายของการสวดทวัชัยจึงกลับมาแล้วก็ร้องไห้ทิ้งเนื้อทิ้งตัวฉันควรเป็นหมาผัวที่เมียตายร้องคํานี้ซ้ําหลายคําฉันแก้แค้นให้เมียไม่ได้ฉันยิงมันสามนัดผิดหมดรถเก๋งมันเลี้ยวเร็วเข้าบ้านไปฉันรีบหนีมานี่คําพูดของทวัชัยนั้นพูดอย่างซื่อๆกับพวก ทั้งๆ ท, ที่คำพูดนั้นมันก็บอกชัดว่าเป็นคนร้ายต้องการสังหารคนแต่พูดกับพวกชาวแสนต่อภัยย่อมไม่เกิดกับผู้พูดแต่เรื่องที่ทำไปแล้วไม่ได้ผลนั่นแหละเข้าตาร้ายไอ้นายห้างนั้นมันก็ต้องรู้ว่าใครยิงมันแม้จะมองไม่ทันว่าใครยิงมันก็เดาออกเพราะว่าเวลามันติดต่อกันทุกคนชักเกิดหนักใจเสมือนไปจับปลาแล้วทาน้ากระเทือนให้ปลานีมันไม่เห็นลื้อแน่นะเว้ยนดงถาม ไม่เห็นค้าอยู่ที่มืดแต่มันก็นึกรู้อยู่ในใจนี่หว่าว่าใครยิงทิจานพ่อในด้งพูดถึงแม้จะไม่ใช่ตัวแกไปยิงเองพวกของแกก็อาจจะไปยิงก็ได้ทำแบบเนี้ยทางมันไม่สงบทางสงบก็คือเราตำรวจหาร่องรอยให้ได้ตัวผู้ที่มาฆ่าเมียของแกก่อนได้ตัวแล้วมันก็ซัดกันไปเองถึงตัวการจนได้เหรอวะเออแต่ว่าเวลานี้แม่ก็เข้าใจอะนะลูกว่าเศร้าโศกเสียใจ ความแค้นความโกรธทำให้ลูกคิดอะไรไม่รอบครอบเพราะโมโหมันขึ้นหัวนางแฟงแม่ในดวงพูดพร้อมกับให้เหตุผลทวัตชัยนิ่งฟังคำทักท้วงของพ่อใหม่แม่ใหม่ที่แสนต่อมองเห็นทางผิดพลาดไร้ผลแต่เสียใจเหลือเกินที่แก้แค้นให้กับเมียที่มาฝากชีวิตไว้ไม่ได้ทวัตชัยบน่นถ้าพูดกันจริงๆอย่างตรงไปตรงมาเราก็ผิดนะเว้ยแกทาผิดขึ้นก่อน เรื่องมันก็มาเป็นเช่นนี้ที่ข้าพูดนะนะไม่ใช่ว่าใส่แกว่าแกผิดแต่ว่าข้ากับแกมันก็คนมันก็เท่ากับคนคนเดียวกันที่พูดเนี่ยก็อยากจะให้แกเนี่ยคลายความแค้นลงเพราะว่ามันผิดด้วยกันทั้งเขาทั้งเรามาหาทางกันใหม่เถอะแก้มันอย่างใหม่ไม่ให้ดิ้นได้ทั้งกฎหมายทั้งทางธรรมะด้วย ในดงของเราพูดแบบนี้มีหลักหนักแน่นผิดอายุและการศึกษาชาวแสนตอและพระเจ้าถึงแก่นิ่งฟังทั้งหมดเอาอย่างนี้เถทวัดในดงของเราพูดแล้วไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปในดงของเราปาดเข้าไปหาทวัดชัยก้มลงกราบที่ตีนเพื่อนทวัดชัยเองก็ตกใจเพื่อนเอ้ยข้าขอให้แกบวชหน้าไฟให้เมียแกบวชก่อนอื่นๆพูดคราวหลังแกบวชให้ข้ากราบไหว้แกทุกวันถวะ่ะ แกทําอะไรให้เมียแกไม่ได้แล้วก็คือบวชให้ตัวเองนั่นแหละคือการตอบแทนที่สําคัญนะเว้ยบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเมียของแกถูกแล้วลูกถูกแล้วบวชเธอะลูกเอ้ยบวชให้เมียแล้วก็บวชให้ตัวเองแล้วก็บวชให้พวกเราชาวแสนตอทวัดชัยนิ่งเงียบแต่ยิ้มละไมมองเห็นทางกุศลที่จะให้กับเมียอย่างดีเลิศยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือหัวฉันบวชฉันบวชแน่ตามที่พูดกัน ทวัตชัยพูดเสียงดังลั่นและก็เป็นเวลาที่หลายวันมาแล้วชาวแสนตอไม่ได้หวดัวเราะในมื้อนี้นี่เองเสียงเฮฮาของชาวแสนตอก็เกิดขึ้นก็เลยมีการตกลงเก็บศพไว้ก่อนยังไม่มีการเผาจนกว่าพิธีบวชจะเสร็จเรียบร้อยในที่สุดการบวชของทวัตชัยก็เรียบร้อยลงและเป็นองค์พระที่กำลังเดินนำศพของอารีขึ้นสู่เชิงตะกอนมันช่างเป็นเหตุที่เข้มแข็งอะไรแบบนี้ นับเป็นประวัติการของแสนต่อที่มีคนเดินตามศพมากที่สุดที่เคยมีมานับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านแสนต่อผู้คนเดินร้องไห้อย่างเด็กก็คือในดง้งเพื่อนตายของพระและพระนั้นเล่าแม้เป็นองค์พระแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเขตของปุถุชนมิใช่พระอรหันต์ที่ไหนจะห้ามการร้องไห้ได้ชาวแสนต่อทั่วไปก็มีน้ําตาคลอตาทุกคน พระเพลิงได้ลุกไหม้เผาร่างของอารีชาวแสนต่ออย่างมอดไหม้พระธวัชชัยยืนสงบนิ่งทำใจเป็นสมาธิหน้าเชิงตะกอนก้มหน้าน้ำตาพรากพรากทันเจ้าวัดนิ่งอั้นด้วยความเห็นใจและปรงอนิจจังอยู่ว่านั่นคือทางกรรมจูงกันมาให้กระทำผิดทั้งสองคนผู้ที่กำลังมอดไหม้นั้นมีผิดในทางนอกใจสามีที่แสนจะรักตัว และทวัชัยก็เป็นผู้ผิดในทางแย่งชิงของที่ฝ่ายหนึ่งหวงแหนมากรรมนั้นได้ก่อเหตุการณ์ชนิดรุนแรงขึ้นและอาจจะต่อไปอีกดีอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่ก่อกรรมคนแรกได้ดับกรรมลงโดยการเข้าไปบวชแล้วก็อยู่ในบวรพุทธศาสนาแต่ส่วนสามีเก่าของผู้ก่อกรรมฆ่าแกงภรรยานั้นก็ต้องเป็นผู้รับกรรมของตนไปจะเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้หรือเมื่อไหนก็สุดแต่กรรมจะบรนดาล อะไรๆก็ได้เงียบลงและก็เงียบไปทั้งตำบลแสนตอชาวบ้านที่รักใคร่กับอารีและพระภิกษุใหม่ยังไม่หายเศร้าใจในเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนไม่มีใครสนุกสนานออกนอกบ้านเลยบ้านใครบ้านมันเลิกจากกิจการที่ประจําอาชีพแล้วก็เก็บตัวอยู่กับบ้านตําบลแสนตอเกิดความเงียบอย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่มีใครเพ่นพ่านจากบ้านตัวไปบ้านอื่นไม่มีใครนั่งกินเหล้าตามร้านค้า ค่ามืดลงก็ไม่มีใครสมัครใจเดินถนนเพราะว่าถนนนั้นเป็นขอบบึงใหญ่อันเป็นแดนตายของอารีนอกจากจะมีความสลดใจแล้วยังมีความหวาดหวั่หวั่นใจเพราะความเงียบและในว้งเวินั้นนอกจากเสียงน้ําไหลและเสียงลมกระทบต้นไม้แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกแสงไฟจากเรือหาปลาไม่มีเลยด้วยว่าไม่มีใครออกหาปลาในหนองนั้นเนื่องจากเกิดเหตุสยองเพิ่งที่จะจบลงใหม่ๆยังคงตรึงตาตรึงใจอยู่ พวกหาปลานั้นใครล่ะจะกล้าพอเมื่อยกคันช้อนขึ้นหรือลากอวนขึ้นพ้นน้ําจะเกิดพบร่างของอารีติดอวนขึ้นมานักตกเบ็ดถ้าติดปลาใหญ่รู้สึกหนักมือก็ไม่แน่ใจว่าเบ็ดนั้นจะติดอะไรถ้าติดเอาหน้าของอารีโผล่ขึ้นมาล่ะจะทํำยังไงชาวแสนต่อทุกคนเกิดความกลัวที่คิดไปเองเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการนัดกันหยุดหาปลากลางคืนและชาวบ้านที่เคยเดินตามทางมืดๆค่ำๆก็หยุดอยู่กับบ้านจนหมด เกรงว่าจะไปเดินสวนกับอารีเข้ายิ่งไปกว่านั้นบางคืนเกิดเหตุที่ไม่เคยเกิดคือมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องในกลางบึงเสียงหมาเห่าประดังแล้วก็เลยหอนเกลียวขึ้นใครล่ะจะกล้าออกไปดูว่าเสียงร้องนั้นเป็นเสียงใครถูกทําร้ายอยู่ในบึงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเสียงนั้นเป็นเสียงร้องของอารีทุกคนไม่กล้ากระดิกตัวเลยนอนขดตัวอยู่กับที่นอน ต, ตามๆกันต่อรุ่งเช้าจึงกระซิบกระซาบถามกันว่าใครได้ยินเสียงนั้นบ้าง ใครหลับจริงก็ไม่ได้ยินถ้ายังไม่หลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กล้ากระดิกตัวพอข่าวของความวิปริตแห่งยามข้ามคืนรู้กันทั่วสภาพของแสนต่อก็หนักลงไปอีกพอตกข้ามลงก็ไม่มีใครที่จะกล้าออกมาเดินแผ่นดินนอกบ้านเว้นแต่ทางใกล้วัดเท่านั้นที่ยังพอมีชาวบ้านใกล้วัดมากินเหล้าที่ร้านค้าของกำนัน ซึ่งความจริงน่าจะเกรงกลัวพูดผีปีศาจ ท, ทางวัดมากกว่าก็เพราะว่าป่าช้าก็อยู่ที่นั่นทำศพก็ทำที่เมนที่วัดแต่เวลานั้นวัดกลับอบอุ่นความหวาดกลัวไปอยู่ที่หมู่บ้านไกลวัดออกไปเพราะว่าแดนนั้นเป็นบ้านของทิดจานพ่อในด้งที่อารีอาศัยอยู่ต่อไปเหตุการ์ยิ่งเพิ่มความสยดสยองขึ้นไปอีก ทางหมู่บ้านใกล้บ้านทิจานมีคนเห็นกับตาในยามค่ำคืนเมื่อเขาโผล่หน้าออกไปทางหน้าต่างหรือว่ามองออกจากนอกชานไปที่ทางเดินขอบบึงเห็นคนห่มผ้าคลุมหัวเดินผ่านไปผ่านมาช้าๆหมาตามบ้านเห่ากันเกลียวจึงไม่สุขใจแก่ชาวบ้านด้านนั้นเป็นอันมากการส่งผักยามดึกค่อนรุ่งไม่มีเลยทิจานนางแฟงและไหนดงจึงดิ่วไปวัดพบกับภิกษุใหม่ และพระท่านเจ้าวาดหาเรือกันด้วยความหนักใจเพราะว่ากิจการชะงักหมดพระบวชใหม่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่าข่าวเรื่องของผีอารีนั้นช่างหนาหูเสลเกินการหารือได้รวมกลุ่มกันขึ้นทั้งเจ้าวัดด้วยเพื่อแก้ความน่ารำคาญของชาวแสนตอจึงเกิดความคิดใหม่แก้อาถรรพ์กันขึ้นอย่างง่ายๆและก็แปลกใหม่อย่างที่ชาวแสนตอไม่เคยมีมาก่อน คือตอนโผลเพลจะมีชายใจกล้าหลายคนกับพระธวัชชัยโดยพระเดินจุดทูบและเทียนนำหน้าและเหล่าชายทั้งหลายก็จุดทูบเทียนเดินตามหลังพระนั้นเดินเล่าแล้วก็บ่นขอร้องไปเบาๆขอความสงบจากอารีและผู้ผีปีศาจ ท, ทั่วไปให้สงบลงเพื่อความสงบสุขของชาวแสนต่อเพราะตนเองเคยมาอาศัยแดนแสนต่ออยู่ด้วยความสุขและเป็นที่รักของชาวแสนต่อก็ขออย่าได้ทําอะไรที่ไม่เหมาะ ให้เป็นการตอบแทนแก่ชาวแสนตอเลยพอรุ่งเช้าชาวแสนตอก็นำอาหารไปคอยตักบาดพระที่ทางเดินนั้นจนทั่วพระทั้งวัดก็เดินไปรับบาดตามกำหนดพวกชาวบ้านก็แบ่งอาหารไว้แล้วก็วางรายทางเดินเป็นการเส้นแด่เจ้าที่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้ได้รับทั่วกันพอสายก็ทำการกรวดน้ำให้เป็นการแน่นหนา ในวันต่อมาเหตุการณ์ยุ่งยากทั้งหลายนั้นก็ระงับและสงบลงดังใจของชาวแสนต่อเป็นอย่างดีเหมือนเก่าก่อนสดใสและโชยน้องสาวของนายดง้งได้นําเสื้อผ้าทั้งหมดของอารีที่พระอนุญาตยกให้ทั้งหมดออกมาตากแดดพร้อมกับกล่าวว่าของเหล่านี้พระท่านยกให้กับฉันฉะนั้นขอพี่อารีได้อนุญาตแก่ฉันเถอะขอให้ถือเป็นกุศลและก็กุศลนี้ขอให้กลับไปเป็นของพี่ด้วยเถิดนะจ๊ะ เจ้าโชยเจ้าสดใสพูดบ่นไปแล้วก็ร้องไห้ไปทิจจานนางแฟงแล้วก็ในดงมองเห็นแล้วต่างก็สลดใจของเหล่านั้นเสมอของต่างหน้าผู้ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเธอ